ข้อที่สามสมถะและวิปัสนาเข้าคู่กันคำพีปฏิสัมพิธามักอธิบายความหมายว่าผู้ปฏิบัติเจริญสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปโดยอาการ16เช่นอัตตะแห่งอารมณ์เป็นต้นยกตัวอย่างเมื่อละอุทธะความฟุ้งซ่านก็เกิดสมาธิ กล่าวคือภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่พล่านสายซึ่งมีนิโรธเป็นอารมณ์พร้อมกันนั้นเมื่อละวิชาก็เกิดวิปัสสนาคือการตามดูรู้เห็นแจ้งซึ่งมีนิโรธเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าทั้งสมถะและวิปัสสนามีกิจเดียวกันเป็นควบคู่กันไม่เกินกันโดยอัฏฐะแห่งอารมณ์ สำหรับข้อที่สามนี้อัตถกถาทำคำอธิบายเป็นรูปแบบมากขึ้นโดยบรรยายว่าการเจริญสมถะวิปัสนาควบคู่กันมิใช่หมายความว่าทำทั้งสองอย่างพร้อมกันทีเดียวเพราะเราไม่สามารถพิจารณาสังขารด้วยจิตเดียวกันกับที่เข้าสมาบัติคำว่าเจริญสมถะวิปัสนาควบคู่กันหมายความว่าเข้าสมาบัติถึงไหน ก็พิจารณาสังขารถึงนั่นพิจารณาสังขารถึงไหนก็เข้าสมาบัติถึงนั่นกล่าวคือเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วพิจารณาสังขารรันพิจารณาสังขารแล้วก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วพิจารณาสังขารอีกรันพิจารณาแล้ว เข้าตัิยาชานอย่างนี้เรื่อยไปตามลำดับจนเข้าเนวสัญญาณาสัญญายตนะสมาบัติออกจากเนวสัญญาณาสัญญาญตนะแล้วก็พิจารณาสังขารอีกอย่างนี้เรียกว่าเจริญสมถะวิปัสนาควบคู่กันไปตัวอย่างสำคัญที่ท่านกล่าวถึงคือพระสารีบุตรซึ่งได้เจริญสมถะ และวิปัสสนาเข้าคู่กันมาตั้งแต่ปฐมฌานจนตลอดบรรลุมากผล